เพราะอะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมีเพราะอะไรไม่มีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรไม่มีสลายตระจึงมีเมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรมีสลายตณะจึงมีเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมี เมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเมื่ออะไรมีอุปทานจึงมีเมื่ออะไรมีภพจึงมีเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีโดยที่แท้อริยะสาวกผู้ได้สดับจึงมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่ออวิชามีสังขารทั้งหลายจึงมีเมื่อสังขารทั้งหลายมีวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมี เมื่อตัณหามีอุปทานจึงมีเมื่ออุปทานมีพบจึงมีเมื่อชาติมีชาราและมรณะจึงมีอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าโลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับ เมื่ออะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีสลายตณะจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีอุปทานจึงไม่มี เมื่ออะไรไม่มีพบจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีชาราและมรณะจึงไม่มีโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ เมื่ออวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเมื่อสังขารทั้งหลายไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเมื่อนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีอุปทานจึงไม่มีภพจึงไม่มีชาติจึงไม่มีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี อริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าโลกนี้ดับอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดความเกิดและความดับไปแห่งโลกตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมะตะนิพพานบ้างอริยสาวกสูตรที่เกจบ สิทุติยอริยสาวกสูตรว่าด้วยอริยสาวกสูตรที่สองห้ 50. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาววัตถีณนะที่นั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเมื่ออะไรมีสังขารทั้งหลายจึงมี เมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรมีสลายตณะจึงมีเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเมื่ออะไรมี <Amazing> <sharing> อุปทานจึงมีเมื่ออะไรมีภพจึงมีเมื่ออะไรมีชาติจึงมี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 เมื่อนามรูปมีสลายตระจึงมีเมื่อสลายตระมีผัสสะจึงมีเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเมื่อตัณหามีอุปทานจึงมีเมื่ออุปทานมีภพจึงมีเมื่อภพมีชาติจึงมีเมื่อชาติมีชาราและมรณะจึงมี อริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าโลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเม <ME> ื่ออะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเมื่ออะไรไม่มีสังขารทั้งหลายจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มี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 บรรลุกระแสะแห่งธรรมบ้างเป็นพระอริยมีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้างดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้างทุติยะอริยสาวกสูตรที่สิบจบขหปฏิวัคที่ห้าจบ